ให้เกิดไม่ดับนิพพานมีลักษณะอันเดียวไม่มีไตรลักษณ์มีเอกลักษณ์มีลักษณะประการเดียวคือเป็นอนัตตานิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานไม่มีเจ้าของคนที่จะไปเป็นเจ้าของนิพพานก็ไม่มีเพราะมันไม่มีคนมาตั้งแต่เริ่มต้นนิพพานเอาไว้ทำสมถาได้อย่างเดียวแต่คนที่จะใช้นิพพานทาสมถาได้ต้องเป็นพระริยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป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 แต่ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้เราก็ต้องหัดต่อแห ล, ละถ้าท่านสั่งก็หัดเล่นอยู่เงี้ยนะครั น, นึงไปสัมมนาเชียงใหม่ถ้าตอนค่าหนีจากห้องสัมมนาได้นะหนีกินเลี้ยงได้แราชการนะโจรจนจะชอบกินเหล้ามีงานต้องกินแบล็กกินอะไรนะโอ้น่าเกลียดหงพ่อไม่เอาด้วยเราหนีไปตามวัดดีกว่าเพรตอะนั้นอยู่ไปสัมมนาที่เชียงใหมนะ่หนีไปวัดสันติธรรมเลยมืดตื้อเลย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 เป็นระยะระยะใครรู้ไปเรื่อยสุดท้ายก็จะเห็นความจริงตัวเราไม่มีหรอกไปหัดดูไปปล่อยนะทําถูกแล้วละขอบคุณค่ะทำสม่ําเสมอครับทํามากไปมั้งแข็งไปไหมไม่หยับทำอย่าอยากนะถ้าอยากนําไปก็ใจจะแข็งให้ทําสบายๆดูกายมันทํางานดูใจทํางานเราเป็นคนดูสบายๆ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 มันออกไปข้างนอกแล้วให้รูถ่าน<ฆ>ไม่ว่ามันเห็นไหมถ้าพวกมือใหม่ๆนะหลวงพ่อพก็จะสอนอย่างน้นอย่างนี้นะพวกมือเก่ากยชอบถามเลยว่าจิตถึงฐานไหมดูง่ายจะยาตายจิตออกนอกนะงานทำหน้าเด๋อเด๋เด่ดาด่าดูง่ายน <c oughs> มสัส ก, การเจ้าค่ะไม่ชีมาส่งอารมณ์หลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วค่ะ <c oughs>